เรื่องทหารเรือวาสนาน้อยโดยชานรงแดงกูลสมัยก่อนผมไม่เคยรู้จักหลวงตามหาบัวผมได้เคยไปทำบุญทางสายหลวงปู่ดูลนกับท่านอาจารย์จันทรแต่ก็น่าแปลกที่ผมไม่เคยรู้จักหลวงตาเลยผมจึงมาคิดได้ทีหลังว่า การที่มารู้จักหลวงตาน่าจะมีสายใยเชื่อมคือตอนที่ผมบวชเป็นพระมหานิกายเมื่ออายุ20สิปีเกิดคิดในใจว่าเรามาบวชแบบนี้มันไม่ได้บุญบังเอิญผมได้รู้จักกับลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชัยที่วัดเขาฉลากผมก็ปรึกษากับเขาว่าผมบวชแบบเนี้ยไม่ได้บุญผมจะต้องไปบวชแบบไหนถึงจะได้บุญเต็มที่ลูกศิษย์คนนั้นก็บอกว่า ถ้าอยากได้บุญจริงๆจะพาไปหาท่านอาจารย์ชัยช่วงนั้นผมเป็นพระบวชใหม่ถูกห้ามไม่ให้ออกนอกวัดแต่ความที่ลุงของผมเป็นเจ้าคณะจังหวัดผมจึงขอท่านท่านก็อนุญาตหลังจากนั้นผมจึงไปอยู่กับท่านอาจารย์ชัยที่ชนบุรีหนึ่งพันษาปรากฏว่าท่านอาจารย์ชัยท่านได้ปฏิบัติธรรมกับพระมหานิกายแต่ถือคติแบบธรรมยุทธ์คือไม่จับเงินฉนอาหารมื้อเดียว ปินธบาทเป็นวัดฉันข้าวในบาตรและท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดและจึงออกไปตั้งวัดเขาฉลากหลวงตามหาบัวบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนิกายหรอกระหว่างที่ผมอยู่กับท่านท่านได้อบรมสั่งสอนและได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดและหลวงตาให้ฟังในสมัยก่อนวัดมีสภาพเป็นป่าไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุลาบากมาก แต่ก็มีความสุขมากนี่อาจจะเป็นสายใยเชื่อมถึงกันบุญชักนำให้ได้มาเป็นสิทธิ์โดยปกติผมไปทำบุญเรื่อยเปื่อยตามประสาของผมเช่นไปหาหลวงปู่ดูลท่านอาจารย์จันทรรหลวงพ่อคำพองไปถวายสังฆทาน ไปรอบๆเกือบทุกที่ในบริเวณนั้นแต่ก็ไม่เคยเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดนับว่าเป็นเรื่องแปลกจนลูกศิษย์ผมทนไม่ได้เข้ามาอ้อนวอนว่าครูไปหาไปกราบท่านอาจารย์หลวงตามาหาบัวเถอะผมก็คิดเอ๊ะบัวไหนไม่รู้จักลูกศิษย์ผมก็มาอ้อนวอนบ่อยๆครั้งเข้าผลสุดท้ายลูกศิษย์บอกครูผมกราบครูเถอะครับขอให้ครูไปสักครั้งเถอะ ผมรู้สึกรำคาญแล้วตอนนั้นพอดีท่านหลวงตามาอยู่ที่สวนแสงธรรมผมไม่รู้จักจึงให้เขาพามากราบในตอนเย็นผมมาดูสถานที่ก่อนรุ่งขึ้นเช้าผมก็มาเลยมายืนเข้าแถวใส่บาตรตามอย่างคนอื่นซึ่งมีคนมากันมากในวันนั้นผมจำได้หลวงตาท่านเดินนำหน้าแถวออกมาจากวัดหลวงพ่อเพียรเดินตามหลังท่านดิกเดินตามมา ทันทีที่ผมเห็นท่านก็เกิดความศรัทธาเพราะท่านเดินตัวตรงดูสง่างามหน้าเกรงขามจึงคิดในใจว่าพระองค์เนี้ยไม่ใช่พระธรรมดาแน่แลักษณะที่ท่านเดินเหมือนกษัตริย์จะเดินนิ่งๆเหมือนตัวท่านลอยอยู่ท่านเดินรับบาตรมาเรื่อยๆจนมาถึงผมปรากฏว่าท่านปิดฝาบาตรทันทีและถามผมว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรผมก็กราบเรียนท่าน ท่านถามมาอีกว่าแล้วมัวไปตกนรกขุมไหนอยู่ทำไมถึงเพิ่งมาแล้วท่านก็เปิดฝาบาทให้ผมใส่บาทความรู้สึกในใจบอกขึ้นมาทันทีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะมาหาท่านไม่ให้ขาดซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโต้ตอบท่านแต่ใจพาคิดไปเองแล้วผมก็ใส่บาทท่านมองหน้าผมแล้วก็เดินต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นมา ผมได้มากราบท่านไม่เคยขาดเลยเป็นระยะเวลานานเกือบ20ปีแล้วจากวันนั้นมาผมไม่ได้ใส่บาทแล้วแต่ถือกระป๋องแทนโดยคอยเดินรับของที่ถ่ายออกจากบาทหลงตาเมื่อบาทเต็มแล้วก็เทใส่กระป๋องเดินตามหลังท่านต้อยๆทำแบบนี้ทุกวันทุกวันและวจึงค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปรับบาทจากท่านเมื่อท่านบิดบาศเสร็จแล้วขากลับก็มีคนถือบาดให้ท่าน สมัยนั้นเป็นผู้กํากับสารวัตรกับคุณเกรียงไชยนับแต่ผมได้มาอยู่รับใช้หลวงตาท่านเมตตาผมตลอดมาผมไม่เคยถูกท่านว่ากล่าวจนถึงวันที่ได้ใกล้ชิดท่านมากที่สุดคือวันที่ได้มีโอกาสประเค้นอาหารถวายท่านเพราะคุณหลวงไม่ได้มาท่านถามผมว่ารู้จักคุณหลวงไหมผมก็มองหน้าท่านไม่ได้ตอบท่านตอบอีก อ้วนๆหัวล้านๆน่ะรู้จักไหมผมยกมือไหว้แล้วตอบท่านรู้จักครับท่านก็ไม่พูดต่อและผมกับคุณหลวงก็ได้รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่งเคราะห์ค่าน้ำมัน มีอยู่วันหนึ่งผมขับรถยี่ห้อเฟียสหนองคันเล็กสีขาวสภาพเก่าๆจะไปที่สวนแสงธรรมซึ่งรถคันนี้มักเสียกลางทางประจำช่วงนั้นผมเล่นดนตรีที่โรงแรมรีเจนวันนั้นผมคิดว่าเงินเดือนจะออกแต่กลับไม่ออกผมจึงไม่มีเงินเติมน้ำมันรถพอขับขับไปใจก็คิดระแวงกลัวน้ำมันจะหมดกลางทางพอขับมาถึงพาตารถมันสะบัดครืดๆผมก็รู้ว่าน้ำมันหมดแล้วแน่ๆ ผมจึงพูดในรถว่าหลวงปู่ครับช่วยให้ถึงด้วยครับผมไม่มีเงินเติมน้ำมันผมพูดเสียงดังของผมเสียงดังอยู่ในรถอย่างเนี้ยขับไปรถมันก็เริ่มครอกแคลกครอกแคลกพอมาถึงประตูสวนแสงธรรมยังไม่ทันได้เข้าไปรถก็ดับน้ำมันหมดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สบายใจเพราะถึงแล้วผมจอดรถไว้ข้างนอกเดินเข้าไปข้างในเห็นหลวงตาใสอังสะยืนอยู่หน้าศาลา ผมจึงเดินเข้าไปกราบเท้าท่านท่านก็เรียกวัดวัดเอาเงินให้ทหารเรือน 1,000 บาททีด้วยความตกใจผมบอกไม่ๆม่ไม่ครับท่านทุบหลังผมดังตุบเลยและท่านบอกเอาไปเติมน้ำมันจากนั้นท่านก็เดินขึ้นกุฏิไปความรู้สึกของผมในตอนนั้นเป็นแบบว่าใจถึงใจเลยทีเดียว คราวจะเลิกเหล้าได้เวลาที่หลวงตามากรุงเทพผมไม่กินเหล้าเลยเป็นคนดีคอยอยู่รับใช้ท่านทุกอย่างไม่ไปไหนแต่พอท่านกลับเมื่อไหรผมเป็นต้องกินเหล้ากินเบียร์ซึ่งผมจะทําแบบนี้เป็นประจํามีอยู่วันหนึ่งผมโผล่หน้าเข้าไปในกุฏิท่านท่านพูดลอยๆขึ้นมาว่าอา้าวสแต็กเข้าไปในเหล้าสแต็กเข้าไปในเหล้า คนในกุฏิก็หันมามองกันสิคิดว่าท่านว่าใครกันผมเลยหลบๆท่านเงียบไม่พูดอะไรต่อพอผมโผล่หน้าไปอีกทีท่านชี้หน้าแล้วพูดอา้าวแดกเข้าไปสิเล่าแดกเข้าไปสิเล่าพอท่านพูดจบเท่านั้นแหละคนในกุฏิหันมามองที่ผมคนเดียวเลยขณะนั้นใจผมมันตั้งสูวนขึ้นมาทันทีว่าแปลกเหมือนกันนะเป็นบุญของเราที่จะเลิกกินเหล้าได้ จะเลิกเด็ดขาดไม่แตะต้องอีกหลังจากนั้นมาผมจึงเลิกเหล้าและอาัยมุกได้ชีวิตผมก็ดีขึ้นวาสนาเจ้าเฟียสคันเก่งเวลาที่บุญจะสง่งท่านก็เมตตาผมมีอยู่วันหนึ่งรถเฟียสหนึ่งสองแปด เดิมของผมจอดอยู่ที่สวนแสงธรรมพอตอนบ่ายท่านเดินลงมาจากกุฏิตรงมาที่ผมถามว่ารู้จักมู ล, ลนิธิหลวงปู่ม่านไหมผมตอบรู้จักครับท่านก็เดินขึ้นไปนั่งรถของผมเลยผมพูดว่าอ้ยหลวงปู่ครับรถผมไม่มีแอร์นะครับท่านว่าเกิดมาก็ไม่ได้เอาแอร์มาด้วยหลวงปู่นั่งหน้าส่วนหลวงพ่อเพียร น, นั่งหลังผมก็เปิดกระจกรถออก ระหว่างขับผมก็ระวังไปด้วยลมพัดจีวอนท่านปลิวเลยนี่คือความเมตตาของท่านที่มีต่อผมมีอยู่วันหนึ่งผมมาถึงวัดสายปกติผมต้องทำหน้าที่ประเคนของถวายหลวงตาพอมาถึงก็รีบจอดรถเฟียตสอง8คันเก่งไว้ข้างสระน้ำใหญ่โดยไม่ได้ใส่เกียร์ขณะที่ผมกำลังประเคนของอยู่รถเกิดไหลลงน้ามีคนเห็นเข้า จึงร้องตะโกนอย่างตกใจว่ารถตกน้ำรถตกน้ำผมได้ยินจึงหันไปมองนี่รถของเราเองคันเล็กๆสีขาวกำลังจะจมน้ำแล้วผมก็นึกในใจเราไม่มีเงินจะซ่อมมีอยู่พันกว่าบาทแต่ผมก็ยังเฉยอยู่เมื่อประเคนของช่วยงานอย่างอื่นบนสาลาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มายืนดูถามว่ารถของใครผมบอกว่ารถของผมครับ ด้วยความเมตตาของท่านปรากฏว่าคนในสวนแสงธรรมได้มาช่วยกันพิปุกถือถุงก๊อบแก๊บมาเรียรลายบอกให้ช่วยคุณชานารงหน่อยช่วยกันโคนลนิดละหน่อยมีคุณป้าคนหนึ่งมาบอกว่าคุณชานารงขาป้าไม่มีเงินเลยมีอยู่ห้าสิบบาทคุณชานารงเอาไปเลยนะคะทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งมากบางคนก็ไปตามหน่วยบรเทาสาธารณภัยมายกรถขึ้นรถเสียหายมาก แต่ก็เอาไปซ่อมโดยไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะมีคนใจดีรับอาสานาไปซ่อมเพื่อทำบุญถวายท่านและยังได้เงินที่รับบริจาคมาอีกส0 0 0 0่นกว่าบาทหลังจากซ่อมรถเสร็จรถอยู่ในสภาพที่แย่มากจึงนำไปขายได้ราคา 25,000 บาทเมื่อรวมกับอีกส0 0 0 0่นกว่าบาทที่ได้รับผมจะมีเงินอยู่ราว 60, 0 0 0บาทบังเอิญน้องชายของภรรยาเขาขายรถมาสดาสาสให้ผม 1 8 0 0 0มืนบาทแต่ผมมีเงินอยู่เพียงหก0ม0บาทได้มีผู้มีพระคุณกับผมมากคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ยอมให้เอ่ยชื่อเขารู้ว่าผมไม่มีเงินจึงเรียกให้ผมไปหาที่บ้านไปเอาเงินมาซื้อรถผมจึงรวมเงินไปซื้อรถได้ตกตอนเย็นผมไปรับใช้หลวงตาคอยไล่ยุงให้ท่านท่านเทศให้ฟังคนไหนที่เขามีบุญคุณให้เงินให้ทองมาโดยที่เขาไม่ได้คิดดอกเบี้ยหรือคิดอะไรเลยกับเรา ถ้าเรามีเราควรใช้คืนควรจะตอบแทนบุญคุณเขาท่านเทศให้ฟังลึกซึ้งมากในใจผมก็นึกผมจะปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าผมมีเงินผมก็จะใช้คืนให้ตามที่ท่านเทศสอนผมผู้ไม่มีวาสนา หลังจากที่ซื้อรถมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถไปรับผู้มีพระคุณที่ให้เงินผมก่อนอื่นเลยบอกพี่มานั่งเป็นปฐมมาเลิกผมขับให้พี่นั่งคนแรกเลยขับมาจอดที่สวนแสงธรรมหลวงตาเดินรับบาดผมเดินตามท่านท่านก้มดูท้ายรถผมผมบอกรถผมครับและท่านก็เดินรับบาดไปจนถึงสุดทางของท่านขากลับผมก็อุ้มบาด ท, ท่านมาพอเดินมาถึงรถผมปรากฏว่าท่านก็หยุดดูอีก ผมบอกรถผมครับท่านเฉยไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วท่านก็เดินเข้าวัดแต่มีคนเห็นว่าท่านได้มองรถผมสองเที่ยวไปกลับท่านมองที่ทะเบียนรถทุกคนที่คอยสังเกตท่านอยู่ตลอดเวลาจึงเอาเลขทะเบียนรถของผมไปซื้อลอตเตอรี่กันเกือบทั้งศาลาราุร่งขึ้นผมขับรถเข้ามาในส่วนแสงธรรมตามปกติทุกคนปรบมือให้ผมด้วยสีหน้ายิ้มย้มแจำ่มใสพร้อมกับทักทายแสดงความยินดีว่า คุณชณนรงรวยแล้วเปล่าเลยผมไม่ได้คิดว่าลอตเตอรี่จะออกตามเลขทะเบียนรถซื้อเลเล่นเพียงไม่กี่บาทคนอื่นถูกกันเกือบทั้งศาลาพอถึงกลางคืนท่านเทศเรื่องผู้ไม่มีวาสนาผมได้แต่ ก, ก้มหน้ารับฟังเทศของท่านด้วยความเลื่อมใสชะตาชีวิตของผมเนี่ยไม่มีวาสนาจริงๆ การที่ผมได้ดีเพราะคาสอนของหลวงตานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดท่านเคยเรียกผมเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วสอนผมว่าเลิกสินะอย่าทำนะเลิกสินะท่านทำให้ผมได้คิดว่าต้องเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นให้ได้ท่านรู้ถึงความในใจของผมตลอดนับแต่นั้นมาชีวิตของผมก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ